ที่ไหนได้ไม่เสร็จครับนั่นและจะมีคนมาขอร้องให้ท่านช่วยไปเป็นคนกลางเจรจ า, าให้โผล่เมียที่ทะเลาะกันให้เลิกทะเลาะกันหรือแฟนที่จะแต่งงานกันนะครับไม่แต่งอีแล้วให้ท่านมาคืนดีกันอย่างนี้เป็นต้นเพราะท่านรู้จะพูดเนาะมาถึงท่านเกิดราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคมดวงของท่านระยะนี้มักจะรู้ หรือรับอะไรช้ากว่าคนอื่นรู้ก็รู้ช้ากว่าเขาเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองท่านเพิ่งจะรู้ที่หลังเขาและพอจะได้รับอะไรคนอื่นเขาได้รับมดจนเขากินมดแล้วท่านเพิ่งจะได้รับเออมันก็ดีนะถ้าเป็นของกินอคนอื่นกินมดแล้วนะไม่กินหลังเขาเรากินอยู่ความเร่รอยเลียปากเลียริมพี่ปา ก, ปากหัอร่อยแต่ใครว่จไงแคลงงัยคนอื่นเขากินมดแล้วอยากกินอีเดแต่มดแล้วอ้าวเราเล่นตัวได้เด้อ <laughs> เออนี่ยนะ ท่านดวงของคนเกิดเดือนกรกฎาโนรูและกรุหลังเขาได้รับราคชา ก, กว่าเขาถ้าเป็นเงินเดือนคนอื่นครับไปก็ไปซื้ อ, อ น, นี้นั่นมดเราได้รับที่หนังเพราะจะไปซื้อหรือมดของที่จะซื้อโจยอย่างนี้เป็นต้นครับช่วงนี้คนเกิดเดือนมกราถ้าท่านมีเงินอยู่นะครับอย่าใช้ฟุ่มเฟือยกรุณาเก็บเงินหรือประหยัดประหยัดเอาไว้ด้วยเพราะดวงจะตาท่านตำราว่าสุขภาพท่านเริ่มจะไม่ดีอ้าว ท่านจะต้องมีเงินเก็บสต๊อกเอาไว้นะครับเผื่อท่านเจ็บป่วยกระท่านหันเงินนี่แหละจะช่วยทําให้ท่านหายจากโรคครับไปซื้อยามา ก, กินหรือไม่ก็ไปหาหมอแก้สําหรับค่าค่าอยู่ค่ายาหมออะไรทํานองนี้นะครับเก็บเอาไว้รักษาสุขภาพของตัวเองตามาขว่างกันนะครับส่วนท่านที่เกิดราศีสิงห์คนรับใช้คางบ้านอยากจะมาทํางานอยู่กับท่านท่านอย่าไปรับนะถ้าคืนท่านรับมาคนที่อยู่คางบ้านท่าน เขาจะมาด่าท่านแกมาแย่งคนไข้จากชันไปทําไมเลยมีเรื่องทะเลาะกันจ่อยส่วนท่านที่เิดเดินกันยาท่านจะได้เดินทางไกลคนที่อิจฉาท่านจะยุแยงให้คนอื่นเกลียดท่านด้วยท่านเฉยๆท่ารู้ยังไงเฉยดีที่สุดเลยครับส่วนท่านที่เิดเดินตุลาหรือราศีตุลงานที่ท่านได้รับมอบหมายไม่มีปัญหาแต่บริวารของท่านเท่านั้นที่ท่านนักใจ และอีกอย่างหนึง่งฟืนไฟกระบ้านเวลาท่านจะออกจากบ้านท่านปิดสวิตไฟหรื อ, อยังกาหน้ามต้มน้าแช่ไวทูบเทียนที่เจนชุดกราบพระบูชากรบบ้านดับมดทุกอย่างเรียบร้อยหรื อ, อยังอย่าลืมเด็ดขาดนะครับเพราะ มีโอกาสจะเกิดไฟไหม้บ้านท่านใดนี่ตำราขว้ า, วางานแต่ถ้าลืมนะถ้าไม่ลืมก็ไม่เป็นไรส่วนท่านที่เกิดราศีพิกจิงคนในสำนักงานจะทะเลาะกันท่านควรอยู่ห่างๆระยะนี้อย่าลงทุนอะไรก็ใครเพราะจะถูกเขาเอารัดเอาเปรียบส่วนท่านที่เกิดเดือนธันวาดวงท่านระยะนี้ทําคุณคนไม่ขึ้นท่านทํานิ่งๆเฉยๆสบายใจที่สุดประโยชน์ที่ท่านควรจะได้ อาจจะไม่ได้วันศุกร์พรุ่งนี้เทวดาอยู่ทั้งทิศตะวันออกเชียงใต้สีถูกโลกคือสีชมพูสีอัปโชคคือสีม่วงอ่อนพรุ่งนี้เริ่มเดินทางไกลมีสองช่วงครับสี่โมงเช้าถึงเที่ยงรอบแรกช่วงที่สองบ่ายสามโมงถึง6กโมงเย็นนี่รอบที่สองวันพรุ่งนี้วันศุกร์ขโมดโรซีผีออกหากินตอนสายสี่โมง้าถึงเที่ยงครับ หมดเวลาครับรายการดวงเขาดวงเราจอยขอพระคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังขอพระคุณอย่างสูงขอพระคุณอย่างมากพรุ่งนี้พบกันใหม่เหมือนเดิมเวลาเดิมและสถานีเดิมสวัสดีครับดวงดวงดวง ความจะร่วงจะร่วมก็ดวงใครดวงมันไม่ต้องสั่งจองไม่ต้องแย่งกันบอร์หรือการจากสวันให้ท่านเกิดมาสวทบุริรัมนําข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM11775MHz AM1368GHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรมัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ร้อยเเมกเฮิร์และระบบ AM ความถี่1 3 6 8กิโลเฮิร์ต่อจากนี้ไปเสนอรายการทันโลกทันเหตุการณ์ค่ะ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 เื่อนดีมากลายอาจารย์ผู้ใหญ่ช่วยสั่งสอนซาบซึ้ง mm hmm. จึงเป็นแรงช่วยผลักดัน mm hmm. ให้ฉันได้ก้าวไปถึงฝังฝันที่ฉันมุ่งหวังนังใจต้องการ mm hmm. เป็นความภาคภูมิจากรู้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 นำพาด้วยคุณธรรมน้อมนาสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาศรัทธาบัง นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคนนุณธรรมนอบนำอสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสถา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 ดูนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับว่าจะเลือกผู้สมัครท่านใดพักใดก็ดูนะนโยบายที่จะสอดคล้องต้องกันนะครับแล้วก็จ ะ, ะมาแก้ปัญหาชุมช น, นสังคมกันได้ก็กกพิจารณาดูรวมทั้งเตรียมไปตรวจสอบสิทธินะฮะว่าเรามีสิทธิหรือไม่ในส่วนของกรกตก็คงจะส่งเอกสารมายังทุกบ้านนะครับว่าในบ้านของท่านเนี่ยมนะี มีรายชื่อใครที่ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งถ้าตกหล่นก็ต้องรีบไปไปแจ้งนะไปแก้กันเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์กันอย่างครบถ้วนนะวันที่14พฤษภาคมนะก็เตรียมที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนท่านที่ไม่ว่างนะวันที่14บี่ก็ในส่วนของกกตก็เปิดให้มีการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านะ ก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนกันไปในช่วงวันที่25มีนาคมถึงวันที่9เมษายนศกนี้แล้วก็จะให้มีการเลือกตั้งลูกหน้าได้ในวันที่7พฤษภาคม2566ส่วนที่อยู่ต่างประเทศนี่ก็จะดำเนินการเลือกตั้งกันในแต่ละประเทศนะมีการส่งบัตรลงคะแนนไปให้นะครับนะคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเพราะฉะนั้นนี่ก็เตรียมนะครับนะก็ให้ไป ไปไปใช้สิทธ์นะครับในการที่จะเลือกตั้งพอว่าถ้าเราไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะก็ทําให้เสียสิทธิ์ในกิจกรรมทางการเมืองนะครับโดยเฉพาะสิทธิในการคัดค้านการเลือกตั้งสสหรือว่าเสียสิทธิ์การดํารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นเวลาสองปีนะครับแต่ันนี้ก็มีผลกระทบโดยเฉพาะท่านที่จะไปลงสมัครเป็น นกักการเมืองใ น, ในระดับท้องถิ่น น, นายกอบอตอนายกเทศบาล น, นะฮ ะ, นะในส่วนของสมาชิกอบอตอะไรต่างๆจจะกระทบได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ก็กควรที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะให้ใหใหใหเป็นไปทำตามหน้าทีข่ของคนไทยเราตามรัฐธรรมนูญในช่วงนี้นี่มีเกิดสงครามกลางเมืองกันที่ซูดา น, นในส่วนของ รัฐบาลแต่ละประเทศนี่ก็เร่งที่จะนําเอาประชาชนของตัวเองนี่ออกมาจากของสดา น, นะครับอนะ่ไม่ว่าจะเป็นอาสาลัตหรือว่าในส่วนของยุโรปนะประเทศอื่นๆนะแต่ละประเทศไทยเรานี่ก็เคลื่อนไหวที่จะนําเอาคนที่ทําไปทํางานในในดานรวมทั้งนักเรียนเรามีนักเรียนนะครับ น, ะนักศึกษาจากทาง3จังหวัดภาคใต้นี่ก็มักจะไปเรียนมหาวิทยาลัยเรียนศาสนาที่ ที่สูดานนี่มีจํานวนมากเหมือนกันรวมทั้งคนงานที่ไปทํางานในในบริษัทต่างประเทศนะ่ยต่างชาติที่ทํางานบริษัทขุดน้ํามันบ้างอะไรต่างๆบ้างในในแถวสูดา น, นี่มีมากเหมือนกันคนไทยเรานะครับนะเพราะฉะนั้นนีก็จากการเปิดเผยของ น, นายนฤชัยนะครับนินนาธซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมกงสุนของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็บอกว่าในส่วนของกระทรวงนี่ก็ ประสานจะนําคนไทยเราอพยพบนะหนีสงครามกลางเมืองที่ซูดานนะก็บอกว่าเปิดเผยกันเมื่อวันที่26่สเมษายนบอกาภารกิจอพยพคนไทยจากซูดานนี่ก็ตอนนี้เนี่ยปีการประสานงานกันแล้วนะครับระหว่างสถานเอกอัครราชทูตนะกรุงไคลโลนะของ อ, อียิปต์แล้วก็กรุงริยาดนะที่ซาอุดีอาระเบียนะครับนะก็ก็มีการประสานกันเพื่อที่จะนะอพยพคนไทยนะครับนะจาก ประมาณ223คนนะจากกรุงคาทูมซึ่งเป็นเมืองหลวงของสานนะมายังเมืองพอร์ตสานซึ่งเป็นเมืองท่าท่าเรือและก็ต่อเรือข้ามไปยังซาอุดีอาระเบียนะบโดยคนไทยกลุ่มแรก79คนก็จะเดินทางมาถึงเมืองเจสดานะวันที่26เมษายนส่วนที่เหลืออีก135คนก็จะเดินทางตามมานะเพราะฉะนั้นนี่เราก็จะต้อง มีการดูแลคนไทยที่ทํางานอยู่ในในประเทศนั้นซึ่งเกิดสงครามกลางเมืองกันนะครับนะระหว่างกองกำลัง2ฝ่ายนะครับนะซึ่งในในแถวต้นออกกลางนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก็หลายหลายชาติก็กังวล น, นะกลัวจะบานปลายเหมือนกันนะครับนะเพราะใะ น, นตรงนี้นี่ก็คงดูสถานการณ์คือนอกจากการสู้รบกันในยูเครนแล้วเนี่ยกับระหว่างรัเสเซียกับยูเครนแล้วก็ยังมี สถานการณ์ตึงเครียดกันอยู่ในหลายๆที่นะครับซึ่งก็กระทรวงการต่างประเทศนี่ก็คงจะต้องมีบทบาทในการที่จะดูแลผลประโยชน์แล้วก็ดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพของของคนไทยในแต่ละประเทศนะครับแล้วก็ช่วงนี้นก็จังวุ่นอยู่กับเรื่องของการมีการจัดให้กันมีการเลือกตั้ง น, นอกประเทศนะครับคนทไทยเราที่อยู่ในประเทศต่างๆนี่ก็ จะได้สามารถใช้สิทธิ์เลือกสอสอที่สถานเอกพระเจ้าถูดในแต่ละประเทศก็กําลังดําเนินการกันอยู่นะครับเพื่อที่จะรวบรวมบัตรเลือกตั้งมารวมมาคิดคะแนน ก, กันอีกทีนึงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศในการที่จะดําเนินงานกันในหลายๆส่วนนะคงจะต้องติดตามบทบาทแต่ว่าตอนนี้ที่เป็นบทบาทหลักเลยคือการนําคนไทยที่ไปติดอยู่ที่ประเทศ สุดานนี่กลับมายัางประเทศไทยโด ย, โดยปลอดภัยรวมทั้งนักศึกษานะนักเรียนนักศึกษาที่ไปเรียนหนังสืออยู่ที่ที่สูดานด้วยเหมือนกันนะครับนะเพราะในตะวันออกกลางนี่เราก็จะเห็นว่านอกจากจะมีคนงานเนี่ยไปทํางานนะในหลายประเทศนะตอนนี้นี่ก็อย่างซาอุดีอาระเบียนี่ก็เริ่มกลับคืนมาหลังจากมีการฟื้นความสัมพันธ์กันแล้วระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียนี่คนไทยเราก็เริ่มกลับเข้าไปทํางาน ในซาอุดีอาระเบียมากยิ่งขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องช่วยกันรับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันครับ พูดมาคุยกันต่อนะครับนะก็ในช่วงนี้เราจะเห็นเป็นคงสุดท้ายนะของการหาเสียงเลือกตั้งแล้วนะครับจะมีการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมก็จะเห็นว่าแต่ละพรรคเนี่ยก็นำเสนอนโยบายนะการหลากหลายเลยทีเดียผ่านทางสื่อต่างๆทั้ ง, ง, งวิทยุโทรทัศน์แล้วรวมทั้งสื่อโซเชียละครับเราจะเห็นนะ u t u b e t i k t o o k อะไรต่างๆเนี่ยแล เฟซบุ๊กนะครับนะเพราะก็ต้องอพิจารณาดูนะครับว่าะจะสามารถแก้ปัญหาของสังคมกันได้หรือไม่นะครับแล้วก็วิกฤตกันหลายด้านนะโดยเฉพา ะ, ะทางด้านเศรษฐกิจเราก็จะเห็นว่ามีปัญหากันมากทั้งเกี่ยวกับเรื่องของอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอนักท่องเที่ยวนะ ท, ที่หายไปในช่วงโควิด3ปีเนี่ยนะก็พึ่งฟื้นนะครับนะพึ่งฟื้ น, นขึ้นมาแล้วเริ่มกลับ คืนมานะก็หวังว่าจะทำให้เศรษฐกิจเรากระเตื้องดีขึ้นรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีการย้ายฐานการผลิตมีการเลิกจ้างกันมากจะฟื้นกันได้อย่างไรนะครับนะโดยเฉพาะในส่วนของการฟื้นฟูทางด้านการลงทุนนะที่จะขายายมานะครับตั้งจากภาคตอนออกไปทางใต้แล้วจะออกมาทางอีสานทางเหนือนะครับซึ่งตรงนี้นี่โดยเฉพาะ าการวางโครงไข่คมานาคมนี่ก็นีน่ยเฉพา ร, รถไฟความเร็วสูงความเร็วปานกลางทางเพื่อนบ้านก็แซงเราไปมากนะเราจะเห็นรถไฟความเร็วสูงโดยเฉพาะที่ลาวเนี่ยนะครับนะจากจีนมามาลาวเนี่ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใช้ได้ผลนะครับมีคนก็เดินทางกันไปไปดูแล้วก็สามารถติดต่อนะไปถึงจีนออกไปถึงยุโรปได้เพราะตรงนี้ ไทยคงจะต้องเร่งล่ะครับนะถ้าไดรัฐบาลใหม่ทำรถไฟรางคู่ความเร็วสูงความเร็วปานกลางนี่ไปเชื่อมกับของเราก็ต่อจากหนองคายไปนะอุดรหนองคายขึ้นไปตรงนั้นเพราะว่าาจะสามารถส่งออกผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยเป็นที่นิยมในในจีนในในประเทศอื่นนแล้วผลไม้อื่นๆไปจำหน่ายรวมทั้งนักท่องเที่ยวเนี่ยจาก จากจีนนี่ก็จะลงมาเที่ยวอย่างบ้านเราได้ง่ายทั้งอากาศแล้วก็จะมาทางรถไฟก็ได้นะครับนะเพราะงัการติดต่อกันก็จะง่ายเพราะฉะนั้นรวมทั้งความเจริญก็อาจะมาะบริเวณเขตพิเศษเศรษฐกิจแถวชายแดนแถวอีสานนี่ก็จะเติบโตขึ้ น, นก็หวังอย่างงั้นนะครับนะประปับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของการคมานาคมโครง ข, ข่ายคมานาคมนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่รวมทั้งประเด็นที่ถามกันในเวทีดีเบตอย่างเช่น เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิที่ดินทํากินเนี่ยจะทําอย่างไงนะครับนะที่จะเอาที่ดินที่รกล้างว่างเปล่ามาปฏิรูปนะมาให้คนยากคนจนได้มาทํากินลงทําการเกษตรนะรมีการปฏิรูปที่ดินกันอย่างไรให้มันเป็นแบบเป็นแผนนะมีการเสนอกันหลายๆแนวคิดนะฉนดชุมชนบ้างธนาคารที่ดินหรือหลากหลายแนตะเพรา ะ, ะตรงนี้นี่คงจะต้องดู เกี่ยวกับเรื่องนโยบายของชุดใหม่แล้วครับนะเพราะในตรงนี้เราก็จะเห็นเวทีดีเบตนะที่สอบถามวิสัยทัศนะ์ของผู้นำนะก็พิจารณากันดูนะครับนะว่าตรงไหนที่จะแก้ไขปัญหาได้เราก็จะเลือกนะก็เป็นไ ป, นปนตามเสลีแหะครับนะที่จะนิยมที่จะเลือกพักไหนนะ ก, ก็ต้องช่วยกันเหือนที่14พฤษภานะก็ไปเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์สำหรับวันนี้นะครับเวลาของ รายการของเรามาถึงช่วงไทยของรายการแล้วชีวิตจะสั้นพรควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันด์กุลทา น, นันต้องขอลาท่านไปก่อนแล้วพบกันโ อ, อ ก, กาสหน้าครับสวัสดีครับ